พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีแสดงธรรมในวันที่8ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่ า, าศาสนาพุทธนั้นท่านเน้นสอนเรื่องอะไร พระในวัดของเราขณะนี้ส5สิห้ารูปลงมาชั้น28งดชั้นเจตามที่พระท่านรายงานในกระดานวันนี้เป็นวันที่8ดธันวาคมพุทธศักราช2558วันนี้รู้สึกอากาศเย็นลงพ อ, พอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกระหนาว หนาวช้าปีนี้ฟ้าฝนก็เหมือนกันฟ้าฝนก็รู้สึกว่าน้อยหนาวกัหนาวช้าดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรอยู่ตามที่หลวงพ่ออายุมากถึงขนาดนี้ทบทวนดูทบทวนดูช่วงหลังๆที่ผ่านมาแต่ถึงยังไงก็คือดินฟ้าอากาศจะทำยังไงได้ มีแต่ตัวของพวกเราเท่านะั้นอ่ะจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจของพวกเราอย่างไรดินฟ้าอากาศเราก็ปรับปรุงแก้ไขได้บ้างทามันร้อนมากเราก็มีแอร์เข้าไปอยู่ในห้องแอร์แต่มันร้อนก็มีพัดลมทามันเลาะร้อนมากอ่ะลงอาบน้ำก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่นั้ก็คือธรรมชาติของมันเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จุดนั้นแต่หน้าหนาวมันก็คือหน้าหนาวหน้าฝนก็คือหน้าฝนหน้าร้อนก็คือหน้าร้อนมันเป็นสามฤดูของมันธรรมชาติแต่ข้อสำคัญเรื่องพวกเราเท่านั้นเองที่นีที่เป็นมนุษย์ชาติ ในหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าใจไดเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับคนเราถ้าได้รับการศึกษาก็ต้องฉลาดกว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอันนี้เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้เรียนจะฉลาดเฉลียวฉลาดจะรู้เหมือนกับคนที่ ได้รับการศึกษาได้เรียนรู้ใยในการศึกษามันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเ mm hmm. พราะนั้นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก็ต้อง mm hmm. ไม่รู้เป็นธรรมชาติธรรมดา mm hmm. อันนี้ก็คือการในหลักธรรมคำสอนของพุทธะ mm hmm. เพราะนั้นให้พวกเราศึกษาจุดนี้เท่นี้ ก่อนที่เขาตีพวกที่เราจะเข้ามาบวช เ, เราก็ต้องศึกษาศึกษาจังหวัดพุทธาาศาสนาเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้คิดอย่างไรอันดับแรกท่านให้คิดอย่างไรเราต้องศึกษาในแนวความคิดของพุทธะต่อมาแล้วทายัางไงการกระทําของพุทธะในท่านให้ทําอย่างไร แล้วก็การพูดท่านพุทธะให้พูดพูดอะไให้พูดอย่างไรให้พุทธะให้พู ด, พ ด, พ ด, พพดถ้าว่าเรายังเรียนรู้ว่าพุทธะให้คิดอย่างไรให้ทําอย่างไรให้พูดอย่างไรเราจะเดินดุ่มเข้ามาหาพุทธะพุทธศาสนาเหมือนกับเราจูงตาบอดเข้ามาหาไม่รู้จะคำใช้คําขวาคําหน้าคําหลังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้แต่ทึกยังไงก็ตาม ถ้าเราไยใยในการศึกษาไยในการเรียนรู้ายอยากจะรู้เนีอยมันก็ต้องรู้ได้เหมือนกับตาบอดเขาจับมือใส่เข้าไปอันนี้อันนั้นนะอันนี้อันนั้นนะ เ, เดินไปอย่างนี้นะขณะตาบอดเดินในถนนในกรุงเทพเขาให้ทางเดินตาบอดเขาก็ยังเดินได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่า ทางที่เขาให้ตาบอดเดินเขาก็ทำเป็นตุ่มตุ่มเวลาเดินพอมันจะลงที่ลาบๆาบที่ที่ราดชันมันก็เย็ยบตุ่มเจ็บตุ่มตาบอดก็ต้องระวังนี่แหละอันนี้ก็คือขนาดตาบอดเขายั ง, ย, งยังรู้จักวิธีนี้ก็เหมือนกันพวกเราเข้ามาศึกษา หลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะไม่มีใครที่จะรู้มาตั้งแต่เกิดแต่อ่อนแต่ออกไม่มีแต่พ่อเข้ามาเราอยากจะรู้ศึกษาเนี่ยพุท ธ, ธะนี่สอนอยังไงก่อนที่เราจะได้ศึกษาพุท ธ, ธะทาไมเราจึงศึกษาเนี่ยก็พ่อบรรพบุรุษของพวกเราปู่ย่าตายายวงศ์สาคณะญาติญาติผู้ใหญ่ตระกูลของเราตระกูลประเทศชาติ ววาพุทธศาสนาเนี่เป็นาศาสนาเลิศศาสนาชั้นปัญญาชนาศาสนาที่นำชีวิตของพวกเราไปในทางที่ถูกต้องพ้นภัยมีความสุขตลอดอนันตการพุทธศาสนาท่านสอนแนวความคิดให้แกบกับพวกเราท่านทั้งหลายในเบือคือบรรพบรุษของพวกเราได้บอกกล่าวเข้ามา แต่จากนั้นมันจริงเหรือเพราะรพวกเราทุกคนก็ใฝ่หาความสุขอยู่แล้วพอเกิดมาในโลกนี่ก็เห็นอยู่แล้วแก่เจ็บตายแล้วก็หาเงินคําทรัพย์สมบัติมาได้แล้วก็ยังมีความทุกข์อีกความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธศาสนาท่านบอกท่านรู้ ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์หนึ่งท่านแนะแนวไว้เลยความสุขที่แท้จริงของมนุษย์หนึ่งคือจุดนั้นถ้าบอพวกมนุษยชาติทั้งหลายหาเถอะหาเถอะหาไม่เจอหรอกหาความสุขที่แท้จริงว่าหาเงินได้เงินมามากๆบางทีไปร้องห่มร้องให้อยู่ในกองเงินกองทองถ้าได้สามีภรรยาลูกหลานก็มาเป็นที่รัก ถ้าเขาไม่ถูกใจบางทีเขาพัดภาคไปก็ไปร้องหมงร้องไห้ในจุดนั้นอีกออมันไม่ใช่ความสุขอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมวล ม, มนุษยชาตินี่ยห ล, ลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านได้สอนพระสงฆ์ ส, งสาวกที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาประกาศเผยแผ่ออกมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะจัทยาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์ให้ได้รับรู้รับทราบแต่เอาเถอะเพราะในครั้งพุทธกาลเราเกิดกเราก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเต็นเราพูดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไร ที่จะหาความสุขจุดนั้นท่านบอกว่าให้ดูใจใจนนะต้นเป็นต้นเหตุของเรื่องราวท่านก็ชี้ประเด็นให้ฟังอีกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าบรมครูของพวกเราท่านไปศึกษาค้นคว้าอะไรพอแม่ครูบายอาจารย์ท่านก็ชี้ให้ดูอีกว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าหกปี ท่านไปทําอะไรท่านไปนั่งคิดนั่งเจา้านั่งเหงานั่งลำพึงลำพันหรอท่านจะไปทําไมในเมื่อท่านจะไปลำพึงลำพันอย่างนั้นท่านไปส ะ, สะแหวงหาอะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธนะั์ฐาเนี่ยท่านไปค้นคว้าศึกษาถึงหกปีจนถึงวันเดือนหกเพนเไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้ไปว่า ไปงมหาเข็มในมหาสมุทรทีเดียวเลยถ้าจะว่าไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแต่ทั้งผลี่สุดก็คือมีความมุ่งมั่นจังใจแต่บุญบารมีเก่าของพระองค์เกื้อกูลหนุนท่านทรมานพระวรากายเสียอดพระกาหารทั้งสี่สิบเก้าอัถกิรมัทฐาไปว่าการทรมานกายให้ลำบากเปล่า จากนั้นพระ อ, องค์ก็มาทรมานจิตจิตคือตัวนึกคิดตัวผู้รู้ตัวใจของเราเนี่ยนะตัวนี้ยนะตัวสำคัญที่ทำให้เราลุ่มหลงงมงายบางทีเรามานั่งกันเนอคิดไปทางอื่นเนี่ยนะ่ะตัวกิเลสมันอยู่ในนั้นมันนึกคิดไปทางไห น, ม, นมันพาจิตใจออกไปจนร้องโ่มร้องไห้จ่อยเศร้า เราถมทุกทางด้านจิตใจก็ยังไม่รู้ว่านั่นแหละเธคือตัวที่จะนําทุกขออกไปจากจิตใจจากนั้นพระองค์ก็ไม่ให้มันคิดเถนี่ยบังคับไปให้มันคิดมันคิดไปทําไมมันคิดให้โง่ทําไมคิดมันจนพอแรงแล้วมันได้อะไรตั้งแต่เกิดมามันคิดมาตลอดจะปล่อยใจปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดอย่างนั้นมันได้อะไรมันไม่เห็นได้อะไรมันมีแต่อนามความทุก มีแต่นำความทุกข์เข้ามาหาจิตใจแต่ความสุขก็จริงอยู่เขาสุขเข้ามานิดหน่อยแต่ความสุขความทุกข์มาหาศาลที่จะต้องประสบพบเห็นแก่เจ็บตายในที่สุดมันจะสุขไหมจุดนั้นเพราะนั้นเราคิดไปทำไมจากนั้นพระองค์ก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าทนไม่ให้ไม่ให้ใจคิด่นไม่ให้มันใจคิด กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นออย่าไปคิดไปทางอื่นถ้าคิดไปทางอื่นนะไปคิดไปเรื่องโลกรเรื่องสงสารไม่ต้องเอาความทุกข์มาหาตัวเองเพราะท่านตัดไม่ให้มันคิดจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตลงสงบเป็นหนึ่งนั่นแหละเกิดความรู้พิเศษขึ้นมานะ แลคือต้นต่อจากนั้นพ่อแม่ครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราก็เหมือนกันพ่อพวกเราบวชเข้ามาแล้วมาศึกษามาอยู่ในป่าอย่าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะการที่จะทำอะไรให้มีสติถ้าจะยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วสายตรงหลวงปู่มั่นของเราแะเวลาก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถเวลา ออกจากศาลานี่แหละไปละข้าไปเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตั้งจิตอธิษฐานหลวงพ่อตั้งจิตอธิฐานอธิฐานแปลว่าตั้งใจมัน่นเขาว่าอธิฐานเขาเนี่ยเป็นคําบาลีแต่พวกเราเหมือนกับอยู่นอกตัวแล้วว่าข้าไปเจ้าจะตั้งใจมั่นให้อยู่ใชให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาก้าวเดินออกจากศาลาน ไปที่พักของเราขาขวาพุทธขาซ้ายโกขาขาพุทธขาซ้ายโถพุทธโ ถ, โ ถ, โถไม่ให้จิตใจคิดไปทางอื่นเพราะเราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้เขามาคิดปุ่มฟุ้งไปทางอื่นเข้ามาอยู่ที่นี่มาเพื่อการศึกษาธรรมะธรรมะท่านสอนอะไรออสอนกันนี่นะ อ, อไม่ใช่ว่า เ, เรามาไปศึกษาคณิตศาสตร์นู่นไปเอาไปลงไปปลูกผัก อยู่ในสนามหญ้านะมันจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์นี้ก็เหมือนกันเรามาเรียนพุทธศาสตร์มาเรียนแนวความคิดเราก็ต้องศึกษาในแนวความคิดว่าเราจะคิดยังไงตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐ า, า น, นที่มาอยู่อย่างนี้นะเราจะคิดยังไงต้องบังคับใจบังคับใจตัวเองบังคับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ให้เป็นหนึ่งให้อยู่กับก้าขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโธเวลาเราจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองว่าข้าไปเจ้าทําอะไรอยู่ขณะนี้เนี่ยข้าไปเจ้าทําอะไรขณะนี้เราทําอะไรอจากนั้นก่อนเนี่ยเข้าไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายขึ้นมาอประนมมือไหว้ ค, ทททครูพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆจากนั้นเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้า แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้านะมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพอัะนั้นเป็นวิสัยของพุทธะพวกเราเนี่ยเป็นสาวกะาหายใจเข้าควรจะบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโธพดโทพุดโธ ท, ที่ลมหายใจเข้าอย่าให้มันเผลอถ้ามันเผลอบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก บริกรพททรพดโถด้วยสำทับด้วยนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และมันเป็นยังไงพอจิตใจของเราบังคับมันก็ยากนะทั้งที่แรกบังคับตัวนี้นะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาบังคับจิตใจให้อยู่นิ่งเหมือนกับเราจับบัวควายไม่เคย เ, เคยจับ เ, เลยเอพอไปจับมันกระโดดโลดเต้นโอ้ เผืเอ่อๆมันจะขิดจะชนเจ้าของอีกต่างหากแต่เอาเถอะเรามีความพยายามเรามีขันติเรามีสัจจะเรามีอธิษฐานเออมีวิวริยะคือความเพียรพยายามมีปัญญาจะจับมันได้จะจับด้วยวิธีอย่างไรถ้ามันกระโดดโลดเต้นมากๆจับมัดคอมก่อนมัดคอมีักระโดดยังมัดขาม ถ้ามัดขามันกระจุ่ดแต่สิ่งมันจะไปเดินได้ยังไงมัดขาไม่ให้มันกระโดดอผลในสูตรกัน่ะอจาะประโยู่อย่างงั้นจนมันหิวอาหารออพอหิวอาหารจากนั้นก็ให้มันกินยากิน้าเมื่อกินน้ํำมันจะกระโดดที่มัดไปอีกเอามันจุดเอามันจุดเออผลในสูตรมันก็หายซ่านั่นเองเท่านี้คนเข้าไปกับรูปหลังรูปไรมันได้เท่นี้เฮ่อะไรพบ มันหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยโหดที่สุดเลเชื่องเชื่องขึ้นมาเรื่อยๆโหดนี่สุดก็อยู่แตนะ่เนี่ยนะออยู่ก็ฝึกหัดมันได้นี่แหละการฝึกหัดจิตนะ่ะไป่ใหม่มันก็ธรรมดานะมันกระโดดโลดเต้นไม่ใชน้อยเหมือนกันนะเผลอๆร้องโหมร้องไห้ก็ยังไม่รู้ว่าเ อ, อ่ไม่รู้ว่าหามาอะไรมาบวชทําไมหาอะไรเออว่าเว้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าอีกต่างหากเ อ, อ่ยังไม่รู้ ว่านั่นนะคืออะไร ต, ตัวกิเลสพระพุทธเจ้าท่านว่านั่นแหละตัวกิเลสให้ดูตัวนั้นนะในเมื่อเราดูตัวนั้นจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละนัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็คือความสงบในระยะแรกระยะต้นจากนั้นเราก็ดูอีกดูใจอีกเอม ผลที่สุดเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดทีนี่ลงออกไปจากตัวผู้รู้ตัวนี้ทั้งหมดเมื่อจิตสงบแล้วรู้รู้ได้ด้วยตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าจันว่าเอามะโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละมันออกไปจากใจทั้งหมดทีนี่มันเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ที่เราเรียนวิชาความรู้ต่างๆที่เราคิดคือตะคุบเงาเท่านั้นเองต้นต่อของมันคือตัวผู้รู้คือใจนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาให้พวกเรา ล, ลูกหลานผาเนนทุกงงนะศรัทธาญาติโยมเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาให้ศึกษาหาต้นต่อต้อนต่อเรื่องราวเรื่องต่างๆออกไปจากใจทั้งหมดไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นออกไปจากทั่วรู้ตัวผู้รู้คือนามธรรมนั่น พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญจุดนั้นเป็นจุดใหญ่หลักของพุทธศาสนาเียว่ามโนปุพังคำมาธรรมามโนเสตามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าตัวนั้นเป็นตัวต้นคิดเรื่องคิดออกไปออกไปจากไหนออกไปจากใจเนี่ยตัวผู้รู้นั่นวิชาต่างๆออกไปจากตัวนั้นคิดซะก่อนแต่บางคนก็ว่าสมองใช่สมองเป็นเครื่องมือ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ไ ม, ไม่คนไม่ใช้ซะก่อนอคอมพิวเตอร์มันจะทำงานได้ยังไงถ้าจะเปรียบเทียบสมองของเราเหมือนเครื่องคอมพิวเตอรนะ์มันอยู่ตั้งอยู่ในสมองของเราแต่นามธรรมาคือตัวผู้รู้นั่นตัวนั้นอะไปใช้สมองอีกที่หนึง่งแต่ตัวนั้นวิทยาศ า, ศาสตร์เขายังมองหาไม่เจออยูง่งนะี่เขาไปถึ ง, งคมคาไปไปถึงแต่ตัวสมอง เขาก็ว่าสมองแต่ตัวนามธรรมคือตัวใจจริงจริงนามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจตัวนั้นน่ะที่ตัวเลื่อนลอยเป็นนามธรรมนามธรรมคือมองไม่เห็นจุดนั้นเป็นจุดที่พุทธศาสนาท่านค้นคว้าศึกษาให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าจุดอื่นๆในหลักธรรมคำสอนแต่จวนอื่นก็คือเรียนเรียนดอกเรียนผลเรียน ใบเรียนอะไรออกไปทั้งหมดแต่จุดใหญ่ของมันก็คือรากแก้วรากรากแก้วของมันคือเป็นหลักก็คือหัวใจจากนั้นก็เรียนเรื่องอรากฝอยของมันเรื่องใบเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะพระเนรทุกองนะลูกหลานทุกองนะ ให้ hey, หาว่ า, เ, าเราเขามาบวชในพุทธศาสนามาศึกษาเรื่องอะไรนะมาศึกษาเรื่องตัวผู้รู้คือใจถ้าเอาชนะใจไปแล้วเนี่ยจะเป็นถึงจะไปเป็นฆราวาสแล้วจะไปทํางานอะไรก็ตามมีอะไรเราก็นึกคิดขึ้นมาสู่ใจใจของเราใจของเรารู้เรื่องเบลกใจมีเบลใจมีคันเร่งใจมีพวงมาลัยเราจะทําอะไรก็ทําทําได้เพราะอะไร ทำมันขี้เกียจขี้เกียจเพื่ออะไรทําไมขี้เกียจเราจะทํางานอย่างนี้ไปทํางานเพื่ออะไรหมุนพวงมาลัยไปในทางที่ถูกต้องอันนี้มันไม่ถูกนะวะเบรกเบรกเบ ร, รกตัวเองอย่าทําอย่าพูดนะในสิ่งนี้มันไม่ถูกนะเอสิ่งเหล่านี้นอยากจะให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอะไม่ใช่ว่าทําอะไรเหมือนมวยเอเหมือนแต่ใจไม่ไม่มีมวยเอนักเกลงไม่มีมวยเป็นนักเกลงมีแต่ใจ เออมีจิกโดดใส่เขาแต่มวยตัวเองไม่มีนี่นแหละผลที่เขาที่เป็นมวยเขาก็ น, น็อกใส่ ย, ยอดคางเอาซะหงายพึงเพราะเลยตัวเองมีแต่มีแต่โมโหโกธามีแต่ใจจะสู้กับเขาแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรอบครอบในสานะในการเป็นอยู่ของตนเอง เราคือใครเราเป็นใครเราจะทำอย่างไรที่อย่างเรานี้นะวันนี้นสมชายร้องแล้วลูกลานเอารับพรในชนีนะ